การเขามาบวชเห็ุจังไหนจุดประสงค์จุดมุ่งหมายคือยัง่คือเขาไปเรียนมหาวิทยาลัยนะมหาไปหาไปเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีหลายแขนงถ้าว่าเขาไปเรียนแพทย์เขาก็ต้องไปศึกษาเรื่องสุขภาพร่างกายในการศึกษาเรื่องแพทย์เอมันมีเชี่ยวกี่ตัวในร่างกายของเข้าผมมีนาทียังตามีนาทีจังไหนหูมีนาทีการได้ยื่นไป เขาก็จะต้องเลี้ยนเรื่องการแพทย์อันนี้ก็คือการเรียนการศึกษาเขาปลูกไปเลี้ยนกฏหมายเขาก็ต้องไปศึกษาเรื่องกฎห ม, มายแผงกฎหมายอาญาโทษหนักโทษเบาเขาก็ต้องมาทองมาสจัตยย่ากันเพื่อไปเลี้ยนกฏหมายถ้าไปเลี้ยนการเกษตรเขาก็ต้องแนะนําเรื่องการเกษตรปลูกใหม่แบบไรไหม่แบบไร่พันแบบไรต่อตามแบบไรเขาก็ต้องไปศึกษาเรื่องการเกษตรเพราะเหตุนั่น เรื่องการบรรชงการบัญชีถ้าจะวาไปเรื่องตำรวจทหารพิพากษาอายการมีมากไม่วิชาอาชีพทั้งโลกเขาอันนั้นก็คือการไปเลี้ยนไปศึกษาแต่เพราะการเขามาบวชในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยเขามาบวชในวัดว่าศาสนาเนี่ยถ้าบวชวัดบ้านเพิ่นไห้เลี้ยนตำล่าคือเลี้ยนแผนที เออคือพระไตปิฎกนะ่ยคือแผนทีให้เห็นแผนทีบรรพัธรรมยูปาจังงีเนะ่ยให้ลงมือปฏิบัติบรรพัดให้เดินตามแผนทีนั่นนั้นบรรเพราะฉะนั้นเข้ามาบวชข้าวนี่นะี่ยเอาไปบวชเป็นพระกรรมฐานการศึกษาเพิ้นกระโบให้ได้เลี่ยนมากแต่ไพต่อไปไ พ, พ่ภาคนาธรรมภูชิยูในศาสนาต่อไปอันนั้นก็ต้องเลี่ยนต้องศึกษาละ่ะแต่ว่าคณะนี่เขามีเบลาหน่อย เข้าข้เลี่ยนในภาคปฏิบัติเหตุจังใดวิธีการเบื้องตน้นเหตุจังใดในหลักของพุทธศาสนามีจุดยืนจังไดจุดมุ่งหมายสูงสุดคือในหลักของพุทธศาสนาหนึ่งคืออีย่างพระพุทธเจ้าเพิ่นได้ตัดสู่ถ้ำที่เพิ่นได้บรรลุถ้ำมที่เพิ่นนั่มถ้คําสั่งสอนที่เพิ่นได้รู้ได้เห็นมาเนี่ยเพิ่นมาสอนเนี่ยอันสูงสุดเนี่ยคืออย่างนี่แหละเข้ามาศึกษาจุดนี้บาเลย ยุดทั้งปริยัติอย่างอื่นออข้านี่แแปลงสันข้ามนั้นแแปลงสีออ่ที่ปุ่นได้เหียนได้ศึกษาอันนั่นเป็นอีกเรื่องห น, นึ่งแต่ในพวกเข้ามาเล่นบทที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสูนี่ที่โคนตนพ่อ เ, เป็นเหตุจังใดเพิ่นปฏิบัติตนจังใดในการปฏิบัติของเพื่อนั่น อ, อ, อันนี้คือพวกเข้าขอมานี่มาศึกษาเข้านี่มาศึกษาในชุดนี้ เพราะนั้นสรุปแล้วก็คือมาบวชในครังนี้แล้ ว, ว่ามาศึกษาในครั้งนี้มาศึกษาเรื่องของใจมาเลี้ยนรูเรื่องของใจมันเป็นของละเอียดถ้าเรื่องของกายเนี่ยพวกเข้ากับนางกันเนี่ยที่นางอยู่น้ากันมีสักพระมีสักองค์โยมมีสักคนพวกเขาเห็นได้นางอากับกิริยาแบบใดเข้ากับหูได้แต่ว่าพวกเข้าบุหูเรื่องใจ ใจแต่ละองค์ในคิดยังใดว่ามีการหูใดนั่นงนํากันเป็นลอยเป็นพันก็ผมมีพลายหูดใหดเพราะใดเพราะความนึกคิดของแต่ละคนมันแปกแตกต่างกันเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าไปศึกษาอยู่หกปีไปค้นคว้าเรื่องตัวเนี่ยตัวมองประเห็ดเนี่ยตัวการไงเนี่ยมันไป เ, เรื่องตัวการใไ่คือตัวหน้ามาธรรมที่ไม่อยู่ในร่างกายเขาเนี่ ที่มันสั่งการสรั่งงานเรื่องนั่นเรื่องนี้เอีมันสั่งสมองให้คิดนั่นคิดนี่ทํานั่นทํำนี่ไปทั้งดีไปทั้งชั่วเนี่ยนี่แหละพระพุทธเจ้าเพิ่นให้เพิ่นมากให้ความสําคัญหรือว่าให้ความสังเกตตัวนามมา้าม้าถ้ำตัวนี้ละ่ะเพราะนั้นเข้ามาบวชในข้าวนี้น่ยมาศึกษาในข้าวนี้มาศึกษาเรื่องนามมา้าม้าถ้ำคือใจใจมโนปุพัง ขมาธรรมามโนเสรษามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้ว้วยใจนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกแล้วว่าใจนี้เป็นเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นจิเหตจังไรใจอันนี้ใจดวงนี้หน้ามาท้ำตัวนี้จะอยู่ในกรอบจะเป็นคนดีได้ที่ใจเป็นใจที่ดีได้ต้องอาศัยลักสินธธรรมอาศัยรักถรม เพื่อลักเหตุผลเขามากคิดมากกันมากกลองมาไตรามากตรองที่จะให้ใจตรงนี้ยอมรับเมื่อใจตรงนี้ย่อมพระท่านยอมรับมั่นเขาออกกิเลสอยู่ในจิตในใจกิเลสล่าขากิเลสโทษสากิเลสโมหาเขามามั่นเขาไปออกนอกลูนอ ก, นอกทางไปอีกเพราะนั้นชีเหตุจังใดอันนี้จุดนี้ละพวกเฮาเขามาศึกษาละบัณฑ์หาแนวทาง เช็ดใจดที่จับจิดจับใจตัวเนี่ยให้ยูให้นิ่งให้สงบให้ค้วนแก่การทำการทำงานค้วนแก่การเป็นยูว่าให้เดือดร้อนตนและผู้อืน่นอันนี้แหละคือหลักของพุทธศาสนาถ้าสรุปไปแล้วก็คือถ้าเข้าไปเฮี้ยนวิชาทางอื่นในมหาวิทยาลัายก็มีหลายๆแขนงมีหลายๆอ ย, ย่างแต่ปนีเข้าขอมาเฮี้ยนมาศึกษาเรื่องปรัชญาพุทธศาสนา เรื่องพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบาปพุทธเจ้าเนะี่เพิ่นแนะจังไหนเพิ่นสอนจังไหนเพิ่นให้ประพฤติปฏิบัติจังไดรจริงอันนี้ก็คือที่พวกเข้ามาศึกษาแต่ก็มีหลายขันตอนขึ้นกันเมื่อเข้ามาเขามาศึกษาอันดับแรกจูตรงอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบเออคนที่จุเดินทางไปใส่เขายังของมหาวิทยาลัาย เขาก็ต้องมีกฎมีระเบียบของเขากฎมหาวิทยาลัยท่าเป็นนงเลียนกินนอนมีหอพักอยู่ในมหาวิทยาลัยเขาก็ต้องมีกฎเกณฑ์ว่าเมื่อนักศึกษาเขามาพักในมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ท่าว่าเป็นนักศึกษาอยู่ข้างนอกเมื่อเขามามหาวิทยาลัยเมื่อเขามาเรียนมาศึกษาในมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ก็มีเรื่อง โทษหนักโทษเบาขึ้นกัน อ, อถ้าว่าโทษหนักก็คือยังที่ห้าวไปสอบห้าไปเอาข้อสอบข้อไปนําั่มบางทีจะต้องไล่ออกมาจากมหาวิทยาลัยจะบ่อยเฮี้ยนบ่อยสอบอีกเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้ปีเฮบางที่หละมันก็โทษหนักก็มีโทษเบาก็มีอันนี้คือการศึกษาอันนี้คือการพระวินัยของพระพุทธเจ้าที่ห้าวเขามาบวชในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าเพิง่งจะตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมากขึ้นกัน อันนี้โทษหนักเนอะโทษหนักก็คือตัดโทษประหารชีวิตของพระมีอยู่สีข้อเดอ้อหนึ่งเสพเมถุนสองข้มุ่ยของเขาตั้งแต่ราคาหาบาทขึ้นไปตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปข้อที่สามขาสัตดมนุษย์คือเจตนาขาค้นให้ตายข้อที่สี่อวดอุตริมนุษยธรรมอวดอ้างว่าตัวเองเป็นผูวิเศษ อันนี้โทษประหารเนอโทษสีข่ข้อนะอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าตั้งกฎเกณฑ์ให้มาให้พวกพระบวชใหม่เขามาในบวชในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็มีกฎเกณฑ์ขึ้นกันบันในกฎย่อยบนนะันในนวสินสนะองรนะ้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ยสองรอยี่สิบเจ็ดข้อเลยมีหยั่งแน่ที่หลวงพ่อจะย่อยให้ฟังคือจะย่อยสุดไทยเพือการเป็นอยู่แลนะบวมเป็นสิน น, นับบวมเป็นเอื่นเลยศินก็คือกฎระเบียบ การเป็นดูด้วยกันการเป็นยูหายยูในกฎหายยูในระเบียบท่าวาเหต์เ่อยูในกฎในระเบียบมันดูบอดีพอเหตุใดพอเฮ้าเป็นยูด้วยสัท ธ, ธาสัท ธ, ธ, ธาคือคือพี่น้องชาวบ้านเขาเกิดครรพบเกิดความครรพนับถือเหลื่อมใสในการประพฤติปฏิบัติของเฮ้าเขาจึงทําบุนทําท่านท่าว่าเฮ้าทํำตัวบอดีเออพอให้เขาเขาอีกต่างหา ฮาเลนเทือกทําตัวเหมือนกับเขาเหมือนกับชาวบ้านเขาเขาสิกราบเผ่าลงใดจังไดเพราเหตุใดเพราเหตุว่าเห่าถ้ำตัวบอดีทําตัวคือกันกับชาวบ้านเหมือนทําตัวเขาเหมือนกับเขาเขาสิกราบได้จังใดอันนี้เห่าทําตัวยิ่งกว่าเขาว่าเขาคิดว่าเออเขาเฮ็ดป่ได้เฮ็ดจังเห่าเนี่ยเฮ็ดจังพระเนี่ยเขาเฮ็ดบ่ได้เขาจึงได้กราบพระพระจึงว่าเป็นผู้มีศีลศีลธรรม บริมุงของแวกกับโลกวัฏสงสารย่างการดูการฉันย่ามือเศร้าเพื่อนแต่วาเสคียวัตเศเสคียวัตวัดที่ภิกษุสามมาเนนจะต้องศึกษาเรียกเศษคียวัตจัดเป็นสีหมวดพนกระบอกเลยบอกว่าอันนี้สินแน่เลยสินสองรอยี่สิบเจ็ดข้อเน่ะที่หลวงพ่อเจวะหอยฟังเนี่ ย, ย ค, คือสินสองรอยี่2ิบเจ็ดข้อแต่หลวงพ่อจิต ก็ไม่ได้จําเลี่ยงลําดับให้หมดแต่ว่าตรงพอจิยกตัวอย่างให้ฟังมาดไปขอหนึ่งก็คือเราจะนู่ห่มให้เรียบร้อยให้ว่าการนู่ห่มของพระอย่าไปห่มหลุบห ล, ล่ำหล่ำดูเบิ้งมากระบอกง่ามเมนบละพระพุทธเจ้าว่าเราจะนู่ห่มให้เรียบร้อยเราจะปิดกายด้วยดีไปนั่งในบ้าน ทั้งไปพร้อมทั้งนั่งพร้อมทั้งปิดกายด้วยดีโมเมน์ไปใสระยกผ่าขึ้นบ่าจนเห็นขีดตะแลงใส่กั บ, บรไรเด้เย อ, อ, อันนี้พวินัยเพิ่นบออนุญาตเลยเนค่ายว่าต้องปิดข้อแล้วก็ดึกลงไปถึงครึ่งแข่งอันนี้ว่าเราจะปิดกายด้วยดีไปนั่งในบ้านเราจากมีตาทอดลงเว่าทอดลงโมเมนต์ฉินางไปในบ้านเขาแล้วก็เลี้ยวขึ้นฝ่าพนะ่ะ เบิงเบิงพระบอสัมรวมพูกเข้าคิดเบิงลูกมันกับบอง้า ม, ดมเด้เมนบอละเฮียร์พูดๆอย่าเราจะมีตาทอดลงทอดลงในทอดลงขนาดไหนพูดว่าประมาณสมเก้าให้ให้มองสมเก้าวเว้นมีสัตว์มีลถมากจะสีกันเหลือไปเบิงความปลอดภัยกานบอมีอย่างไงจะไปเบิดเทเลอทาราเบิงหันเบิงนีดูแล้วมันบอง้ามเราจะมีตาทอดลงไปนั่งในบ้านเราจะระวังมือเท้าด้วยดี ไปนั่งในบ้านทั้งไปพร้อมทั้งนั่งพ่อมไปเราจะไม่พูดเสียงดังไปนั่งในบ้านพูดเสียงดังโวกโวกเว้นเสียแต่เขาให้เทศแสดงถ้ำเนะี่ยคือเอาเขาเบาได้มาไปใส่หมวกอุหลัก็ได้ขั้นคาว่าเขาบอให้บอให้วานเฮาจะไปบอเสียงดังกระบอกแม่นแน่วเลยนี่ให้สํารวมระวังเราจะไม่เอามือข้ากายไปนั่งในบ้าน เราจะไม่กระโยงเท้าไปในบ้านเราจะไม่เอาผ้าคลุมศีษะไปนั่งในบ้านเราจะไม่หัวเราะเสียงดังไปนั่งในบ้านล้วนแล้วแต่เป็นมารยาตทั้งหมดให้พวกเ้าพิจารณาบางน่นเนี่ยพระพุทธเจ้าเ็นบัญญัติศีลของพระบ้านในเพิ่นกระเเว่เรื่องการฉันอีกบ้านนึ่อเออเงินฉันเนเราจะไม่ฉันดังจับๆเราจะไม่ฉันดังสูๆ้ๆเราจะไม่ฉันเลียมือ เราจะไม่ฉันเลียริมฝีปากเราจะไม่เอาในมือสอดเข้าปากเราจะไม่ฉันทากระพุ้งแก้มให้ตุยในเมื่อข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดเราจะไม่ฉันแลบลิ้นอันนี้คือมันระยะในการฉันเราจะไม่ฉันโปรยมเมล็ดข้าวให้ตกลงในบาดหรือในที่นั้นๆนพวกเข้าได้สังเกตบ่เวลาเข้า ฉันจังหันแล้วเวลากูบ่าลุกจากพื้นทีน่เพื่อนที่เอาผ้าเช็ดมือของเพื่อนเช็ดบริเวณของเพื่อนให้สะอาดแล้วก็เก็บเม็ดเข่าที่มันตกเกลี่ยลาดพวกพักพวกอย่างที่มันตกลงไปเพื่อนจะเก็บให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นพวกเข่าที่เป็นหนากกับข้จะปฏิบัติจังสั่นขึ้กันนะเวล า, าลุกขึ้นมาให้เบิ้งจกของก่อไปเบิ้งสถานที่นั่งของเจ้าของจากนั้นก็เก็บเก็บเก็บเก็บแล้วก็ให้สะอาดเอาผ้าเช็ดหนามเช็ดอย่าง มันจะบวเป็นภาละขันนาวาตางคนต่างชั้นแหละลูกขืนมากผจักนกําแกงมัจักนามันยังหน่อยเต็มไปมดัดผู้ทีเขาไปเกิดเหยีบยบเต็มตีนกับบ่อใดได้ย่องไปวันไปมันเต็มด้วยน้าแกงอันนั้นบ่อใดได้พระกรรมาฐานเป็นภวิดไนเลือยวันไปเราจะไม่ฉันโปรยมเมล็ดข้าวให้ตกลงในบาศหรือในที่นั้นๆสรุปแล้วก็คือ เวลาเจ้าของสิลุกขึ้นไปเนะี่ยต้องทําความสะอาดบให้มีเม็ดเขา่าบให้มีเม็ดพักบให้มี่พักบให้มีน้ำยศตัวไปให้เช็ดให้สะอาดาอจักรย์ค่อยลุกเยังพวกเข้าเห็นพวกกุบาทั้งหลายเนี่ยเนะี่เวลาปนสีลุกนะเนี่ยปนจะต้องทําความสะอาดที่นางของเปนอย่างหลวงพอ่อขึ้นกันปนบริญยศท่านหลวงพ่อเนี่เป็นเจ้าอาวาสไม่เป็นอาบัติปนบริวาเลยหลวงพ่อก็เป็นอาบัติขึ้นกันเพราะน่ะหลวงพ่อก่อนสิลุกไป หลงพ่อก็จะต้องเช็ดให้สะอาดเรียบร้อยมดเม็ดเข่าอยู่มองไดเบิ้งวันนึงไป เ, เก็บใส่กระโถนให้เรียบร้อยก่อนลุกขึ้นไปเราจะไม่เอามือเปื้อนจับผาชนะน้ําอันนี้ก็คือเวลาเข้าท่านอาหารเข้าบ้านเนี่ยไปลเลาสิจับเข้าเอาผาผาเช็ดมือนะกัมห่วงกาดไปกําห่วงตะก่อนยังคอยเทเสกแก้วจากนั้นเขาก็เอากานมือเขายังเปิด อ, อยู่เขาก็เอาผาอ พื้นนั่นะพาเช็ดมือนะจับแก้วขึ้ไมาม่อคอยดื่ ม, มันไปเรื่องว่าเช็ดมือห้างจกรคาราวาเห้าจะเอามือเปื่อนแล้วก็ไปจับกา n a าโยนยสดๆุดจุเป็นอาบัติถูกกดขาดศีลไปคอหนึ่งมันออกไปแล้วก็การฉันขึ้นกันพอยนั่นเรื่องพวีณายยุดนี่นคือศีลของพระทั้งหมดเราไม่เป็นไข้ จะไม่ยืนทายอุจจะปัดสวะบ้วนเคียะลงในน้านนเราไม่เป็นไข้จะไม่ทายอุจจาะปัดเสวะบ้วนเคียะลงในของเขียวของเขียวก็คือหญ่าบบ่อย้ทมนํลาลายใส่หยาบ่อยเยียวใส่หยาบ่อยทายอุจจะใส่หยาของเขียวบ่อยทายลงน้ำโพน้มเป็นของใส่ของคนของสัตว์เราจะไปทายลงน้ย่าไปเงียวลงน้ำ จะไปถุยน้ำลายลงน้ำคันว่าเคศจังสันเป็นอวัตทุกกฎเพราะพระพุทธเจ้าพ้นละเอียดถึงขนาดนั้นเลยในการเป็นอยู่ร่วมกันเพราะนั้นพวกเข้าได้มาบวชในครั้งนี้ให้ศึกษานี่ศึกษาสรุปแล้วคือพระพุทธเจ้าเพ้นเป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินเพ้นใส้กฎระเบียบของกษัตริย์เอาม้าบอกมากล่าวมาสอนพวกเข้าพวกเข้าเดือถึงจะเป็นลูกเช่าให้เช่าหน้า ชาวตลาดไซกระตักพอเขามาบวชแล้วปฏิบัติตามธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าผนับเนื้อว่าพวกเขานี่เป็นสากยบุตรพุทธชินโนรถคือเป็นลูกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามลักพระธรรมวินัยไปนั่นถามว่าพวกเข้าปฏิบัติตามลักพระธรรมวินัยตามคําสอนโอ้มีศินยี่สิบเ็ดข้อแล้วพวกเขาเนี่จะเป็นสากยบุตร เออคือบุตรของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าว่าพวกห้าวบวชเขาม้าแล้วท่ำตัวบอดีท่ำตัวหนกเคาะบกขร บ, บในรักท ร, รมวินัยบ่อยอู่ในศีลนะท่ำบ่อยอยู่ในรักพระทรำวินัยของพระพุทธเจ้าห้าสจีวาลูกประเภทใดระบาดนะี่ยลูกหนกเอาะลูกไปอยู่ในโอวัตรลูกแวกแนวลูกบอดีลูกไปอยู่ในโอวัตกับสีวาวไรจังสันคือกัน พราเหตุใดเพราะประยู่ในหลักธรรมวินัยขั้นพไหนั้นพวกเข้าบวชเขามาแล้วก็ขอให้พวกเข้าทุกคนน่ะให้ศึกษาแล้วกัได้ศึกษาแล้วให้ยูในหลักพระธรรมวินัยพระธรรมขัสั่งสอนเห็นคูบาอาจารย์ปฏิบัติอย่างไรกัปฏิบัติตามเพิ่นเพิ่นบวชก้อนเพิ่นหูเรื่องแล้วก็ขั้นว่าเพิ่นบอกเพิ่นบอกเพิ่นสอนอย่าไปโกรธไปเครียดอ่าอย่าไปโมโหให้เพิ่นพราเหตุใด ฟังองเพิ่นกับบอกซื่อๆก็มี่แต่เฮากอง บ, บุหงุจักมาเนี่ยแต่ตามเป็จริงที่เพิ่นบอกคือรักประทับวีในเพิ่นก็ได้ยินได้ฟังจากคูบาอาจารย์สอนเพิ่อนอีกที่นึงอยู่แล้ว เ, เพิ่นจึงมาสอนพวัวเฮาเพราะนั้นผัวเฮาได้ยินธรรมข่ำสอนของคูบาองค์ได้ก็ตามก็ให้ผัวเฮาฟังการเฮาว่าเฮาสงสัยเอ้คูบาเนี่ยบอกถือบนอนเนี่ยก็มาถามเออมาถาม ที่มีอายุพรรษาที่พันสอนเท่านะ่ะเดีอ ม, มาถามลงพอก็นเลยไอ้ลงพอนี่เป็นยังสี่ยังสี่มันแมนบอกมันถือบอเนี่ยที่กูบาบอกยังสีนะ่ไะไอ้ลงพอกับเจตอธิบายให้ฟังเอออันนั้นมันบวชพิษสงสัยกูบ่าพันจับมาพิษเอออันนี้ถูกเนี่ยกูบ่าพันจะมาถูกแต่ลงพอก็เค่อยบอกคยแนะนําคือกันก่นกอนที่จะสอนที่จะบอกใครนาคหรือจะบอกไพร่ก็ตามพวกกูบาที่ บวชเข้าม า, กาเก่านี่ต้องศึกษาต้องฟังต้องบอกด้วยน้ําใจบวแมนบอกบอกด้วยอารมณ์โมโหโธ่โศกโโธ่ท่าเราจึางคอยบอกจะไปเหตุอย่างสั่นบ่ไรนะพอหลักธรรมธรรสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะบวแมนของผู้หนึ่งผู้ใดนะบวแมนของเฮานะบวแมนของผู้ใดนะเป็นของกลางนะไผ่ธรรมพิษกพ็พิษผู้ใดทําถือก็ถื อ, อพออย่างนั้นพวกเฮาควรจะคิดให้ดีเจาก่อนควรยังบอกเกา่าผู้อื่น พอหลักถ้ำข้ามสังสอนของพระพุทธเจ้านี่ยโมเมนของไผ่แต่ถึงยังไงก็ช่วยกันเบิงช่วยกันประครับประคองโมเมนผู้ใดเหตุผิดเกิดเชยบวบอกบว ก, กกาวกันมันกับโมเมนต์เด๊ะต่อไปศาสนาของพระพุทธเจ้าจะยื่นเน่าเป็นสี่หาพันปีต่างคนต่างท้ำไร้ต่างคนต่างบอยู่ในหลักพระธรรมวินัยมันกับมดไปมดไปเ ด, ไปด้เอ๊อหวนไปหวนไปต่อไปผ้ายภพากนา เขาพุะเจ้าพูดว่าศาสนาสีมรดินิพาน้อยหอยหูก็ยังว่าจัดว่าเป็นพระหนูไปแสดงว่าคตรหนสิเกียรติผาเหลืองไหลเติบพี่หลวงพ่อว่าขนาดมี่ผานินน้อยหอยหูยังจัดว่าเป็นพระหนูไปพอถึงกับผมถึงสี่วันหนูไปแสดงว่าคนเห็นผาเหลืองหนึ่งเป็นไม่เบื่อไม่เมาเลยหนูไปเอ้ฝ่ายนั้นพวกเข้าที่บวชแน่ศาสนาหนูบวชในพระพุทธศาสนาในขั้งหนี่อย่าไปถือว่า เข้าศึกษาเรื่องเอีอยงหมดไปมาศึกษาเรื่องใจมาลึกศึกษาเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเนีที่หลวงพ่อให้พวกเข้านั่งสมาธิจริงๆละ่ะถึงจะนั่งมากนั่งหน่อยอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างให้พวกเข้าได้นั่งวัดนั่งสมาธินั่งแบบนี้เด้อต่อไปไพ่ภาคนาถว่าวเขามีโอกาสเขาก็นั่งแบบรงหลวงพ่อผ่านนั่งนี่แหะขาขวาทับขาส่ายมือขวาทับมือส่ายทํากายให้ตรง ดํารงสติเฉพาะหนากําหนดล้มหายใจเขา่าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทษพุทโทษพุทโทษทําใจให้ว่างๆทําใจให้สบายๆ บ, บ่อ้คิดปุง๋งฝุ่งไปถึงอดีตบ่ห้คิดถึงอดีตอดีตคือหมู่มบ้านหมู่กรณเดือนก่อนปีกรเรื่องเล่าคนกร อ, อย่าไปคิดถึงมันมันผ่านมาแล้วมันเสียมก็เสียมาแล้วมันใดมันก็ะไดมาแล้วมันบมมีอีกย่างหนึ่มมี่เป็นแต่เพียงบทเรียนให้เฮาเท่านั้นแหะ อย่างใดก็คือเป็นบทเรียนให้เห่าขั้นบทเป็นบทเรียนให้เห่าห้องก็บรรตองคิดถึงมั่นมันพานไปแล้วแล้วก็น่าคตมือม อ, อื่นมือฮื้อมันบอท่านถึงขยันบอกไปเฝ้าไปคิดมั่นเนี่คณะนี่โยนออกไปกานออกจากสมาธิเราเออต้องคอยคิดก็ได้บอกว่าเออมือ อ, อื่นห้องเสีเห็ดหนังห้องเสีว่างแผนหนังมืออื่นมือฮื้ออันนี้คอยว่าบอเมนสีนั่งคิดว่างแผ่นยุกมืดมืดขึ้นเออจนโมโหจกักพักพรกรกเบอแมนขึ้นกัออนอคณะนี่เห่า ให้จิตอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้เฮาสีนางภาวนาสีเฮาสีท่ำจิตให้สงบท่ำจิตให้พักพรให้จิตให้พักให้จิตให้รับคนละไปคือเฮาปิดประตูคนละไปปิดประตูคือสมาธิคือเข่าไม่ในห้องแต่ปิดประตูคนละไปให้จิตพักพรให้ใจพักพรอนคณะว่าเฮาบ่พักพรอนใจเตลิดเปิดเปิงคิดอยู่เลยเออเหล่เฮยร้อยล่มแต่ละมือแต่ละเว้นคิด เออบ่มีเบรกคิดเออจนบ่มีทียุดทียับยัง่งทำมีเรื่องที่จะมากระตุ้นให้คิดแหงคิดไปหลายวนออกไปพราะคิดไปคิดมากเผลอๆเป็นบาได้ได้บาเนี้ยไอคนเป็นบานี่คือคนคือคนคิดหลายวนออกไปไอ้ใจบ่มีเบกมันตะเลิดเปิดเปิเปงวนออกไปเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยเป็นผลดีอย่างมากสําหรับพวกเข้าทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าพูดสอนไวน้สมาธิ หรือทจิตให้สงบเนี่ยขันว่าคนมีสมาธิจิตใจหนึ่งอยู่กับเจ้าของนี่ยรับประกันลอยเอร์เซนต์เลยพอเป็นบาวลงไปเพราะคนมีสติเลยไอ้คนที่ขาดสติน่นะนะคือมีโอกาสมากๆเลยที่จะต้องเป็นเสียจริตไปได้เพราะนั้นพวกเข้าทุกคน น, ะนี่แหละวิธีการที่จะทําจิตให้สงบด้วยทําจิตให้เป็นห น, นึ่งนลยคือนั่งสมาธิ มือไหนฟังหวังอยู่ในบ้านในเฮือนของเฮ้ามือเฮ้าซึกไปแล้วก็ตามมีโอกาสเท่าก็จะเด็นั่งสมาธิละกันกล่องเบ่งจบของเออผู้ขานเฮ็ดมันถือบอเนี่ยมันเป็นไดนมันเป็นถ้ำบอลเนี่ยมันกระทบกระเทือนผู้อื่นเขาบอลเนี่เออกันอยู่กับแม่บ้านก็ดีอยู่กับปลูกกับล้านก็ดีเฮ้อยู่กับพ่อกับแม่ก็ดีอยู่กับปลูกกับเมียก็ดีเฮ้าต้องคิดเบังอใจเขาใจเฮ้า เขามีความคิดอย่างไรเขามีความคิดจัง ไ, ไดเข้าอย่าไปเอาเปรียบเขาจนเกินไปการอยู่น้ากันขันว่าต่างข้นตางเขา้ารบชิดซึ่งกันและกันหักแพ่งกันเอาไว้ผัวเข้าคอยจะงบลมเย็นเป็นทุกอยู่ใส้กัเป็นทุกกับผมผ้ากันหากันเก็บกันชายมันขยันอดทนในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนหลายหลาอย่างเน๊ะสอนหลายหลายอย่างสอนหลายหลายในแนวความคิด อุตฐานะสัมปทานถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันักคาสัมปทาเมื่อเฮาสแสวงหาทรัพย์ทําให้ทำหน้าทําหัว ท, ทาําสวนทํามาค้าขายได้แล้วได้เงินข้ามทรัพย์สมบัติไปแล้วให้มากเก็บให้รักษาไปเดอ้ออย่าไปใช้สู้รุย่ยชูร้รายไอ้อันนี้ก็คือทำข้ามจังสอนของพระพุทธเจา้าเมื่อเฮาไปเลี่ยนนังซื้อจบขึ้นมาแล้วได้นาที่ตํามแนง่ง ได้เป็นขราชการระดับใดก็าตามก็ให้รักษาไวคานุบาเฮ้าบุรักษาพ่อได้เป็นขราชการมาแล้วกกินเหล่าเม้ายาสูลานารี่เฮ็ดเน่าสีมันัวเขามาหาเจ้าของพ่อความสัวเของมาหาเจ้าของตำแนหน่งนาทีก็ลุดไปแล้วลงไปพ่อบุรักษาได้ออันนี้คือกันทางรักษาจัางนาที่ตำแหน่งผมรักษาหรือการเงืน่นการท่องผมว่อรักคะสัมปทาถึงพร้อมโดยการรักษากัญญาณมิตร ให้คบเพื่อนที่ดีงามอย่าไปคบคนที่บอดีขันว่าคบคนพอดีคบคนใดเป็นเช่นคนนั้นแหละเขาคบคนพอดีเฮาก็จะเป็นคนบอดีไปตามกับเขาเพราะนั้นก่อนจะคบคนให้เลือกสะกอนยังคอยคบเพื่อนไงกัลยาณมิตรตาสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปหลอกลวงเขาอย่าไปป่นไปโคดไปโกงเขามาเลี้ยงชีวิตของเฮาขันว่าเฮาไปโคดไปโกงไปป่นไปจีบไป ผลเขามาเลี่ยงเข้าเลี่ยงลูกเลี่ยงเนี่ยของเข้าลูกของเข้าเกิดมากกับเป็นคนบอดีต่อไปพ่ายภาคนาลูกของเขาก็ซ้อนอยากมันลงไปเพราะเหตุใดเพราะเอาของบอดีมาเลี่ยงเขาอ่มันเข่าเส้นเลือดมันลงไปเพราะนั้นเพื่นว่าให้เอาของดีามาเลี่ยงเขาแล้วกัการครบคนใดเป็นเช่นคนนั่นแหลนะการครบข่าสมาคมกับหมูกับเพล น, นก็จําเป็นสําคัญคือกันได้ถ้าว่าพวกเข้าไปควบค้นบอดี ครบคนกินเหล่าลงไปที่แหลกกูเบิงมันเป็นแต่หน้านายเทวะมันเป็นแต่ยางอายแท็กินเหล่าบยจักผูดโบยจักการสถานทีเอไปหูจักหอดผู้ใหญ่ผู้นอนเป็นยังไงกับวอกไปมัดเซสัดเสซซ้ายเป็นแต่ยางอายแท็กขั้นแต่ว่าเฮายังครบข้าสามารถขมกับพ้นขี่เหล่าโยนไปเอาไปมากขี่เหล่าเพาื่อขึ้นกินเหล่าระบาด เฮ้ยน้องๆกินมุ้งน้องเอาไปมากกินเอาไปมากเจ้าของอะไรคือกันกับขี้เห ล, าล่าเนอะในพ่อใหญ่เพราะมันคบขี้เหล่าได้ถ้าคบคนเล่นการพนันคือกันคอครบก็ข้นขี่ลักขี่ขโมยคือกันเอครบก็ข้นประเภทใดเป็นเช่นคนนั้นแหละอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาพราะพุทธเจ้าพูนว่าก่อนที่ครบขาสามารถโค่ให้เปิงสะกอนได้ อย่าไปคบคนที่บอดีอันนี้ก็คือหลักของพุทธศาสนาพันศรไปสองพัน 2, กว่าปีพ้อยในพวกลูกหลานออกตนญาตนยาดย่อมพิจารณาปุโรหิตมันเป็นจ้าใดพุทธะได้ยกเปรียบเทียบพุทธว่าแมีพระภิกษุในขั้งพุทธเจ้าไปคบกับพระที่บอดีวันนไปพบพระที่บอดีเพราะพุทธเจ้าว่าบอกข้อนไปพบนะไปคบพระที่บอดีไปพบบอดีมันคือบอดีไปนํับคือกันครับมา ของพระเจ้าเพนดินน่ะในชาติก่อนในปางก่อนไปคบคุกคนในเลี่ยงมาก็เลยเป็นหมาที่บอดีไปพระสงฆ์ก็เลยถามรพระพุทธเจ้าว่าสมัยใดพระเจ้าข้าที่ว่าหมาไปคบคุกคนมันบอดีทั้งทีเป็นมาเอาตรงไปจะไปคบคุกค้นชิบวดีได้จังใดพระพุทธเจ้าบอกว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าพระราสีมีบริษัทโมเลวานมาก แล้วก็มีมามีช่างมีมามากเพื่อออกซึกสงขล้ำไปที่ใดก็ต้องมีช่างมีมาสมัยนะั้นมีรถยนคือจังกรมือเด็ดๆต้องอาศัยสร้างอาศัยมาอแล้วก็คนขี่สร้างขี่มาออกไปสู่ซึกสงคร้ำลงไปพระเจ้าแผ่ดินมันก็มีมาของเพิินอีกขึ้นกันเออมาส่งของเพิินเออตัวบกยั่สมาร์ทลงไปวิ่งเน่ต้องเวบาลงไป ไปว่าเก่งตัวไหนเก่งเขาก็จะให้พระเจ้าแผ่นดินนำมาไปเฉลียวฉลาดอีกต่างหากคนไปหมาของ เ, อเพื่อนบายนี้เพิ่นก่ให้ในสลัทีคนไปอสลัทีผู้เลี้ยงหมาผู้ดูแลหมาเพื่อนก็ให้สลัทีเป็นผู้ดูแลประครบประงมอย่างนด้หมาตัว น, นั้นมาไปอผ้าออกยางผ้าออกเที่ยวผ้าออกวิ่งผ่าไปกินน้ำอาบนา้าพัก อาหารคงเปมาพระราชาเด้เนี่ยพร่พอว่าพ่อเมื่อไรเกิดแปลว่าซึกสงครามหรือว่ามีอยังเกิดขึ้นปุ๊บเนะ่ยพระราชาก็แปลว่าขึ้นมาเขามันนัําทับเรื่องวันไปพอเนั้นมาตัวนี้ต้องพร้อมยุ่เสมอวันไปอาานันนี้มาตัวนี้เนี่ยเขาก็เลี้ยงยางดีต่อมาเนี่คนเลี้ยงหมาบัดที่เลี้ยงหมานป่วยกว่าเนี่ ย, ย, ยก็คงจะป่วยก็คงจะไม่สามารถที่จะเลี้ยงหมาได้อีก ก็เลยขอล่าราชการขอลาราชการบ่อเลียงขอบ่เลีย ง, อ บ, อยงบาไฮนี่พวกโปรโรหิตตายจานพวกคณะกรรมการก็เห็นมาเออไอเน่เอาเปลี่ยนคั้นไม้ซะแต่ว่าไอนน่ลักมานะฉลาดไอเนี่ก็ฉลาดดูแลเรื่องหมา ก, การเก็บไขได้ป่วยของหมานี่ดีมากแต่ว่าเสียทายแต่ขามันก็เพกกั น, นไปไอ ไอ้ขากระเพกคือขาโค่นขาเขี้นัลนไปเอี่ยคนขาเขาเี้ย่างไปก็ เ, เ, ก เ, กเป็นโค่นขาเขี้ยวกัยางกระเพกกระเพกบนไปมาเนี่ยก็ไหหมาเลี้ยงมา่ามันก็ดูแลย่างดีอยู่ลงไแต่ว่าเวลาที่ถูงหมา่าตัวนั้นออกไปเนี่ยหม่าแตม่มันก็เดินขาเพกไปหม่ามันก็เดินตามหลังไปเลยพ่อต่อม่าต่อมาอมา่มาตอนนั้นมันก็เค่อยคิดว่า นายผู้เลี้ยงเหาเนี่ยมันคงจะให้เห่าเดินแบบนี้ก็บมัง้งมาเท่านั้นกน็มันก็ได้พยายามเหี้ยนวันหงไปเ ห, ยเหียนไอะเหียนเอตายขาเข่งวันหนึ่งไปมันก็เห็ดขเ่ขเพกข่เพกน้ำหลังว่าหนึงไปเอาไปมากเลยแย่งข่าเพกหลายเข่าวันหงไปแยงเข่หลายเขา่าที่ได้เอามาส่งพระราชชาจะไปขาข่เพกจังสีได้จังไได้คนทั้งหลายก็บเบิง้ง โปโลหิตตายจานทั้งหลายก็บเบงพกขุนพ่นายพ่นทั้งหลายก็บเบงอ้ามา้าแต่นี่เป็นม้าที่มีฝีเท่ายอดเยี่ยมมาา้ามันเป็นอ้อย่างเนี้ยขาเพกจยงสี่แบบเนี่ยท่านี้พระเจ้าแผ่นดินเพราะว่าเป็นม้าส่งของเพินเน่พอเป็นม้าที่เยี่ยมมากแล้วมันไปเพลก็เลยประชุมอํามาตย์ลาดสเสวกทั้งหลายโปโลหิตตายจานทั้งหลายพิจารณากันบอกว่มาม้าแต่นี่เป็นอย่างไปเบิงน์นรัวเอเอาแพทย์หลวงมาเถอะ เขาก็เอาแพดหลวงมากไปมากเขาก็มากค้ำเบิงแขงเบิงขาเบิงยั้งมันวันไปมามันก็ดีวันไปเพามียั้งวันไปโพลิโซก็เลให้โปโลฮิตอาจันเกิดโพลิฮิตอาจารย์กิดคือถ้าคูมืออนี่ก็คือเป็นอาจารย์สั่งสอนพระราชาวันไปอาจารย์ไปเบิงนู้่าจารยมันเป็นยังไดงมาตัวนี้วะอาจารย์ค่นวมันบมดเป็นทางมันจะต้องได้ปลดวางได้เหนียวอาจารยมันขาเช่แบบนี้วะอาจารย์อ่มันสี ออกมากเป็นมาส่งใดช่างไหนเหรอให้อาจารย์ไปบังรู้ทันีดอาจารย์ก็เลยไปเบึงไปนั่งสังเกตเป็นว่านะสงสัยมาต่เนีนเนนนนเนเ้เป็นมาแสนรูเพราะท่นไหนมาเรียร์รูใดเร็วเป็นมาแสนรูมั่นเกือคงจะเป็นเพราะไนสันทีนี่มาข้นขาเพกเนี่ยจูงไปหากินหญ้ากินน้ำมั่นกระชิ่งเหียนต่ำ ปั้นขงอยาคิดว่าให้เหตุตามมันจ่คอยเหตุน้าแบบนี้ก็เลยกลับมากพอที่คิดอย่างก็เลยกลับมากก็เลยมาประชุมกันอีกว่าขอเปลี่ยนนายสลัถีใหม่ได้ไหมก็ลงมาตีกันเลยเปลี่ยนนายสลัถีใหม่อพอเปลี่ยนนายสลัถีใหม่เอาข้นสมาร์ทรวันไปสูงท่าทางแบบทหารอะไรประาณั้นเอามาเลี้ยงามาเปลี่ยนใหม่ พอมาเปลี่ยนใหม่พถึงอาทิตย์วันไปมาตอนนั้นก็เลยยางปกตินไปปกติทุกอย่างมามียังวันไปนี่แหละพระพุทธเจ้าเพลนก็เลยบอกว่านี่แหละขนาดเป็นมาไปคบับค้นขาเพกคข้นขาเคมาก็ยังขาเคน้่เพราะนั้นผู้ใดก็ตามถ้าคบคนบอดีคบคนใดจะเป็นเช่นคนนั้นแหละนี่แหละ อันนี้ก็คือเป็นชาติรกเป็นแนวทํธรรมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการจะคบค้าสมาคมกับใครก็ตามต้องดูซะก่อนว่าเขาเป็นคนมีลักษณะอย่างไรถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเราก็ควรจะละเว้นหรือห่างเขาไปถ้าเราครบค้าสมาคมกับคนไม่ดีต่อไปเราจะเป็นคนไม่ดีไปด้วยอันนี้คือนิทานเรื่องนี้เพิ่นสอนให ผูกเข้าทันทั้งหลายให้เป็นแนวความคิดวันออกไปไฟนันพวกเข้าเดีมาบวชนี่ข้างหนีเนาะให้ต้องอกตั้งใจเนาะออกตัวญาติโยมลูกหลานทุกผู้ทุกคนนะนับว่าเป็นผู้โชคดีจะเป็นถือว่าโชคไหลวันออกไปโชคดีเ้าบวชเพ่งซิปว่าวันนะี่ยในชีวิตของเขานะี่ยื่นยาวไปสักเท่าไหร่มา ถ, ถึงขนาดนี้แหละไม่ว่าเป็นช่วงนึงที่พวกเข้าจะต้องทำคุณงามความดีเราจะไปให้ยายมันพลาดโอกาส ทำอย่างอื่นฮ้องยังทํามาแล้วบ้านในเฮ้าจิปวดในพุทธศาสนาบูชาติเป็นเครื่องบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเฮ้าแล้วก็เฮ้าเป็นผู้ศึกษาศึกษาในหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบนจุดประสงค์ในพระพุทธศาสนาประเทศชาติบ้านเมืองเฮ้านับถือมาตั้งแต่พอขุนล่ามกําแหงพอขุนสีอินทร athi ถ้าจะว่าไปหาฮกเยจปล่อยปีเลยได้จากนันมัน ตามประวัติศาสตร์เป็นอยังเขายัางนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาให้คุ้นจังใดมีประโยชน์จังใดถ้าพวกเข้าศึกษาให้ดีแล้วยังทีหลวงพ่อเนี่ยว่าพวกเขาว่างเป็นลําดับลําดับมากเลยคือศีลหาเลยสิมีคุณค่าจังใดอั่างสิพวกเขาก็คงจะมองเห็นได้แล้วว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้านี่เป็นเครื่องปกครองพวกเข้าให้อยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขนะแล้วก็พร้อม ก, กันก็นให้ภาวนาอย่างทีหลวงพ่อว่าเนี่ยนะ เมื่อโอกาสเมื่อเข้าลล่าสิขาไปแล้วถึงจะไปอยู่ไซกตามให้ภาวนาเนอภาวานาบวมในนาทีของพระเนี่เป็นนาทีของพวกเข้าทุกค้อนวันไปพวกเข้าต้องการความสงบรลุมเย็นเป็นทุกข์อยากจะเบังคิดบังใจของเจาง้าของนะพยายามนั่งสมาธิทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งนะเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อเจ้บอเป่า อ, อย่างมากนั่งสมาธิสักชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ลราจงค่อยกับขาที่พักต่อไปเอานั่งสมาธินะที่นี้นะ